เนี่ยนะมังกรหยกสามก๊กเนี่ยโอยเรื่องเข็นเรื่องฆ่าเรื่องปาณาติบาตอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะหนังสือนิยายเล่มแล้วเล่มเล่าการ์ตูนญี่ปุ่นอ่านทุงท่งสูอทุงท่งหัวอย่างเงี้ยนะอ่านได้หมดอะเว้นไว้แต่พระไตรปิฎกทําเป็นสงสัยไอ้เรื่องนั้นเขาบอกว่าหลอกชัดๆเนี่ยอ่านแต่ทีทีคําสอนที่บอกโอ้ยเชื่อได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงถ้าคนที่สติสตังไม่ค่อยดีวิปลาสเขียนเนี่ยโอ้ยอ่านจริงๆแกะจริงๆ เนี่ยนะเขามีความหมายว่าอย่างไรเนี่ยนะเชื่อไหมอ่าบางคนที่แต่งหนังสือละที่บางละที่เนี่ยนะอีกสายตานหนึ่งก็คือคนที่ไม่ค่อยเต็มดีๆนี่เองเนีย่ยนะก็คนที่ไม่ไม่เต็มไม่เต็งเนี่ยแหละแต่ว่าเขียนขึ้นมาแล้วเกิดคนชอบอ่านเข้ามาก็เลยเป็นใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือคนที่ไม่ปกติเนีย่ยนะเป็นคนที่ไม่ปกติไม่ได้มีสติมีปัญญาอะไรมากมายเลยขนาดนั้นไหนยอมรับได้ ที่อย่างนั้นทําเป็นไม่สงสัยวย่างนั้นนะทําเป็นแหมเลื่อมใสผ่องใสเขียนดีเขียนแหมเข้าใจง่ายโอยถูกใจเราจริงๆก็แปล ว, ว่าตัวแทนของเรานั่นเองอ่ะนะตัวแทนของเราที่เป็นอย่างนั้นแต่จริงที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราหนึ่งเราไม่รู้คุณของพระองค์เราก็ไม่รู้ไม่อยากจะศึกษาคุณของพระองค์อ่ะนะจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่เรียงเรียกร้องหาความชอบธรรมในใจตัวเอง มันคิดยังไงที่เมื่อไม่อ่านพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกผิดฉันถูกทําได้ยังไงวิธีดีที่สุดสงสัยซะหมดเรื่องไตรปิฎกไม่ดีหรอกเว้ยแปลไม่ดีหรอกสืบทอดมันจํามาได้จริงหรือมันถูกต้องคุณเอาอะไรมามั่นใจคุณแน่ใจได้ยังไงคือสรุปว่าไอ้ที่ฉันทํำมามันถูกต้องฉันไม่ผิดอะไรหรอกนะก็เลยวิธีที่คนเนี่ยนะที่ใช้วิธีเนี่ยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะทําให้ฉันเนี่ยเลวอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ยังรักษาเหมือนกับว่าตัวเองยังดีอยู่ก็คือทําให้คนอื่นเลวให้หมดฉันก็จะดีอยู่ตามเดิมมันฉันก็เป็นคนที่พิเศษนั้นบุคคลที่ตำหนิพระไตรปิฎกเชื่อไหมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหรือที่อ่านก็อ่านหัวอ่านท้ายไปอ่านเล่มที่ตัวเองไม่รู้เรื่องและอ่านแล้วก็ตัวเองไม่เข้าใจด้วยแล้วก็อ่านนิดๆหน่อยๆเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เลยสงสัยในปริยัตสงสัยจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงหรือเอาหนักๆเข้าในที่สุด ใครจะจําได้ขนาดนี้ใช่ไหมปฏิเสธไปหมดเลยโดยที่สุดถึงจะนุ่งห่มผ้าสีไหนก็ช่างเถอะถ้าออกมาปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนในพระศาสนาอยู่แล้วละ่ะทีนี้ปฏิเสธปริยัติ้าปฏิเสธปริยัติแล้วคนที่ปฏิบัติตามปริยัติจะเลื่อมใสไหมก็ไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสในข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามปริยัติอย่าลืมว่าปริยัติคือคําสอนที่บอกกล่าววิธีเจริญที่ศีลที่จิตและ อธิปัญญาเมื่อไม่เลื่อมใสในคำสอนที่ประกาศอธิศินอธิจิตและอธิปัญญาจะเลื่อมใสในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไหมก็ไม่เลื่อมใสเมื่อไม่เลื่อมใสจะเลื่อมใสในผลแห่งการผลแห่งการเรียนปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอันนั้นจะต้องการจริงไหมก็ไม่ต้องการก็เลยเคลือบสงสยัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจเชื่อไม่แน่ใจไม่ตกลงใจ ในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นต้นนั่นนะพ่อปฏิเสธก็มันเมื่อปฏิเสธเนี่ยใจของเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดว่าเรื่องละเอียดว่าเรื่องนั้นพระธรรมจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีไม่ได้วิจารในแง่นั้นเพราะอะไรเพราะพระธรรมตรัสไว้ดีแล้วแต่จิตของภิกษุที่สงสัยในพระธรรมจิตอันนั้นนั่นแหละ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 ตะ ป, ปูตรึงใจประการที่สองที่พิสูจนนั้นยังละไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าสงสัยในพระธรรมสงสัยในปริยัพปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยนะคำว่าปฏิบัตินี่คือปฏิบัติตามพระประิยัพนะปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่ว่าแม้ไปทําอะไรอย่างที่ตัวเองทําอยู่บอกนี่ปฏิบัติ น, น, นะนะไม่ใช่คำว่าปฏิบัติก็คือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะปฏิบัติก็คือเจริญสัมมาทิฏฐิหรือเจริญโพชฌงนั่นแหละ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่เป็นไปตามคําสอนทั้งหมดนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าเป็นไปตามคําสอนนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าไม่เลื่อมใสในปริยัติจะเลื่อมใสในปฏิบัติตามคําสอนได้อย่างไรเมื่อไม่เลื่อมใสในปริยัติและปฏิบัติตามคําสอนจะเลื่อมใสในอริยผลการบรรลุมรรคผลตามคําสอนได้อย่างไรมันก็เลื่อมไม่เลื่อมใสในพระธรรมละผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมจิตอันนั้นหมายค่ะว่า Ah, ธรรมโมหะเวเข้ไปผู้รักธรรมเป็นผู้จเจริญหรือผู้ใฝ่ายในธรรมเป็นผู้จเจริญถ้าไม่ฝ่ายในกุศลธรรมในกุศลธรรมจ ะ, จะเจริญไหมอย่างก็บอกว่าไม่เลื่อมใสในศีลจะรักษาศรรมมีลไหมเอ้าถ้าไม่เลื่อมใสในส ม, มถะจะเจริญส ม, มถะไหมจะไม่เลื่อมใสในวิปัสนาจะเจริญในวิปัสสนาไหมถ้าไม่เลื่อมใสในมรรคผลนิพพานจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างที่ว่าในโลกนี้คนที่ไม่รักงานงานก็ไม่รักเราเหมือนกันน่นแหละใช่ไหมถ้าไม่รักงานทำงานทิ้งๆิ้ข้างข้งเขาจะเอาเราทํางานต่อไปไหมเป็นต้นฉันใดนี่ก็ลักษณะเดียวกันคนที่ไม่รักทรัพย์เนี่ยนะจะมีพวกทรัพย์ได้ไหมคนที่ไม่รักทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของตัวเองเลยจะมีสิ่งเหล่านั้นได้ไหมบอกมีไม่ได้เขาบอกว่าอริยทรัพย์ก็เหมือนกัน ศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานเหมือนกันถ้าเราไม่ฝากไฟไม่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้คุณธรรมเหล่านั้นเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะข้อต่อไปบักดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสษุสงสยัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงค์คือในผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคสีผลสีนิพพานเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามมารยาทบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าพระสงฆ์ ดูการพิสษุทั้งหลายจิตของพิสูจนที่เลื่อมที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเลื่อมใสจริงๆแล้วเลื่อมใสในพระอ น, นุนไหม อันนี้ว่าปฏิบัติธรรมในพระาศาสนาแต่ไม่ชอบพระอานุนิชอบพระมหากรสปะไม่ชอบพระมาหากัจยนะไม่ชอบพระาา น, พนุรุทธะไม่ชอบพระสารีบุตรพระโมกขลานะองค์นั้นก็ไม่ชอบองค์นี้ก็ไม่ชอบคนพระโสดาบันก็ตําหนิพระสกท า, าคามีก็ไม่รังเกียจยังไงเป็นต้นถามว่าจะเจริญ ง, งอกงามในาศาสนานี้ได้ไหมนะเนี่ยกนะ็รังเกียจพระเรียเจ้าแล้วจะเป็นพระเรียเจ้าได้อย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะ โดยก่านพิสูจน์ทั้งหลายจิตของผู้ที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยนะจิตของบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองๆซึ่งความติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สามที่พิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วสมมติถ้าเราเป็นผู้ที่มีปกติไม่เชื่อพระโสดาบันไม่เลื่อมใสในพระโสดาบันดูหมิน่นดูถูกดูแคลนพระโสดาบันถากทางพระโสดาบันเป็นต้น เราจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมก็แค่โสดาบันถึงตอนนี้นะตำหนิดูมินท้าสุดแล้วจะบรรลุได้ไหมจะเป็นพระปารียเจ้าได้ไหมจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้ไหมสําหรับบุคคลผู้ปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันก่อนอยู่แล้วตอนแรกอะ่ะจะกระโดดข้ามไปเป็นพระสกาทาคามีทีเดียวไม่ได้จะกระโดดข้ามไปเป็นพผ้านาคามีไปเป็นผ้าอรหันเลยก็ยังไม่ได้เพราะใจที่ไม่น้อมใจเชื่อเลื่อมสายใน พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็บรรลุไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโสดาบันกับพาาระอรหันต์ไปบินทบาทด้วยกันพาาระอรหันต์เป็นอาจารย์พระโสดาบันเป็นลูกศิษย์กุ้มบาตตามกันไปเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทได้ข้าวต้มพาาระอรหันต์นี่เป็นโรคท้องไม่ดีเนี่ยนะโรคลมซึ่งต้องดื่มอาหารที่ร้อนๆดื่มข้าวต้มที่ร้อนๆ น, นั่นแหละอาการของโรคมันจะสงบท่านก็แวะไปข้างทางที่หนึ่งนั่งยองๆแล้วก็ดื่มข้าวต้มซึ่งไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรเลย พระโสดาบันแหมพระพระผู้เท่ารูปนี้ทําให้เราละอายเรื่องแค่นี้ก็อดทนไม่ได้นนคือคือจิตเนี่ยนึกตําหนิพระพุทอรหันต์น่ะนะพระโสดาบันเนี่ยมีใจตําหนิพระอรหันต์ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นพระโสดาบันนะแล้วบุคคลที่ตําหนิตัวเองแบบแหมแค่นี้ก็อดทนไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยที่ตัวเองตําหนิเนี่ยเป็นพระอรหันต์และเป็นอาจารย์ด้วยพอหลังจากท่านฉันข้าต้มเสร็จท่านก็ถามหันก็หันมาดูลูกศิษย์นะ อตอนนี้ท่านเป็นอะไรนั่นก็บอกตรงๆบอกเป็นพระสุรดาบานเออท่านเป็นแค่นี้แหละท่านเข้าใจเลยว่าอาจารย์เนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็เลยขอโทษเพราะถ้าไม่ขอโทษเนี่ยนะจิตที่ตำหนินั่นแหละจะทำให้ตัวเองมันขวางอะ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ารถมันจะวิ่งเนี่ยถ้าเอาไม้สรงมาขวางทางเอาไว้มันจะวิ่งข้ามไปได้ไหม ม, มีทางเดียวก็เอาไม้สรงออกก่อนเนี่ยรถมันยงกัไปได้ หรือเรียว่าที่มันต้องมีสะพานข้ามไปต่อถ้าชักสะพานทิ้งไปแล้วเนี่ยนะเอาอะไรมาวิ่งข้ามไปได้ฉันใดถ้าเราตำหนินอา่าตำหนิดูมินพระสงฆ์สาวกตำหนิดูมินผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นตะปูตรึงใจข้อที่สาม ข้อที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปร่งใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคืออธิศีละสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาไม่เลื่อมใสในจตุ ป, ปาริสุที่ศีลเลยไม่เลื่อมใสในอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเลยไม่เลื่อมใสใน สมถะในกรรมสกตาปัญญาไม่เลื่อมใสในวิปัสนาปัญญาไม่เลื่อมใสในมัคคปัญญาไม่เลื่อมใสไว้ถ้าศีลสมาธิปัญญาประชุมกันแล้วจะเป็นยังไงจะดียังไงไม่ชอบไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่เลื่อมใสไม่พอใจกลับเรียกว่าอะไรนะกันแนกันแหนคนมีศีลเป็นต้นด้วยนะถ้าเห็นเห็นว่ารักษาศีลเป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าวุ่นวายเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็จิตของพิสูจน์นั้นก็ จิตที่ที่เลื่อมที่สงสัยคเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่ภิกษุนั้นยังละ ไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะสงสัยในข้อปฏิบัติเจริญสัมมาทิฏฐิดีจริงหรือเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันดีจริงหรือถ้าสงสัยในสมาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นอธิปัญญาศิกขาสงสัยในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นอธิศิลสิกขาสงสัยในสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ที่เป็นอธิจิตตสิกขาเมื่อสงสัยในศิกขาสามเหล่านี้จะเจริญงอกงามในศิกขาเป็นไปได้ไหมไม่ชอบศีลนะ่าจะมีศีลได้ไหมสงสัยในศีลนะ่าจะรักษาศีลได้ไหมสงสัยในสมถะสงสัยในสมาธิสงสัยใน อ, อุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสงสัยในการเจริญเมตตาเป็นต้นะจะเจริญเมตตาเป็นต้นเหล่านั้นได้ไหมไม่ชอบไม่สนใจไม่เลื่อมใสในการเจริญวิปัสนาปัญญาเลยเนี่ยจะเจริญงอกงาม ได้ไหมนี่ยก็ยากพัาผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามถ้าสงสัยในสิกขาสามอย่างไรก็ไม่งอกงามในสิกขาสามอยู่แล้วข้อที่4เอขอข้อที่สําสำคัญดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะ ป, ปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมันข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อ ความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่ห้าที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจ5้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว น, นะนข้อที่5้าเนี่ยสำคัญเช่นโกรธครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพระธรรมโกรธเพื่อนผู้ร่วมศึกษาพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในธรรมเป็นไปได้ไหม มันโกรธกันเองทะเลาะกันเองไม่พอใจกันเองเครียดกันเองหงุดหงิดกันเองรำคาญกันเองยังไงก็ไม่เจริญ ง, งอกงามอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะลืมคำสอนหมดเขาบอกว่าใจของคนที่ถูกโทสะครอบงำเนี่ยนะมันจะคอยหาช่องจ้องหาแต่ความเลวร้ายของคนอื่นคนที่มองเห็นความเลวร้ายของคนอื่นเท่าใดด้วยใจที่เป็นโทสะเขาจะห่างมรรคผลนิพพานเท่านั้น